บัดนี้จักแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันนี้นอกจากจะเป็นวันบาเพ็ญกรรมาฐานตามปกติของท่านสาธุชนทั้งหลายแล้วยังมาทรงกรบันฉัตรระมงคลคือวันเฉลิมฉลองสเสวตจัตจ องประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนคนไทยทั้งหลายทางวัดปวัวนิเวศวิหารจึงได้จัดงานทั้งสองประการนี้เข้าในวาระเดียวกันแต่เน้นหนักไปในด้านปรารบถึงเรื่องของจัตุมงคนผลให้ราชาพิเศกคาว่าอภิเศกนั้น หมายถึงการประกอบพิธีกรรมเพื่อยกย่องสถาปนาบุคคลขึ้นเป็นประชาชาตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดกันขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคำว่าอภิเศกนั้นหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมะจนได้บรรลุผลในฐานะนั้ น, น อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดสรุเราเรียกว่าปรมาพิเศษสมาสำโพธิญาณซึ่งก็หมายถึงการที่พระองค์ได้จัตสรุพระอนุตตรสมาสมโพธิญาณจากความหมายทั้งสองความหมายนี้เมื่อนำไปสู่หลักของการศึกษาและหลักการปฏิบัติแล้วก็จะเป็นธรรมะในชั้นที่เรียกว่าเป็นชัด คือคุ้มครองป้องกันบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติไว้ให้ประสบความสุขความสวัสดีพรอะการปฏิบัติธรรมนั้นบุคคลจะได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเหมือนบุคคลมีร่มใหญ่สามารถป้องกันไม่ให้เปียกฝนหรือถูกแสงแดดกระทบในเวลาเดินไปท่ามกลางสายฝน ได้ท่ากลางแสงแดดฉะนั้นดังนั้นภาษาบาลีท่านจึงแสดงไว้ว่าพระธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกฉะนั้นคําว่าฉัดหรือฉัตรนั้นก็หมายถึงร่มหรือสิ่งที่เราเรียกว่าฉัดในความหมายของชาวไทยเป็นสิ่งซึ่งปกป้องคุ้มครอง และแสดงสถานะของบุคคลก็อยู่ในสถานะที่ควรแก่การเคารพนับถือยกย่องของบุคคลในสถานที่นั้นๆในฐานะนั้นๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นธรรมิกะมหาราชคือเป็นพระมหาราชที่ทรงธรรมและประกอบด้วยธรรม เป็นกษัตริย์ในความหมายของพระพุทธศาสนาคือทำความชื่นชมยินดีให้แก่ประชาชนซึ่งได้ประสบพบเห็นในทราบข่าวเรื่องราวพระราชิยาวัดของพระองค์ตั้งคำว่าราชาจึงแปลว่าผู้ทาให้ประชาชนมีความชื่นชมยินดีสมณะจากการที่ได้อยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์เป็นต้น จนถึงได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระองค์ในฐานะนั้นๆในบริกาสอันพิเศษนี้ประสบนิกกรภายในชาติบ้านเมืองได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณข อ, ของพระองค์ท่านและพร ะ, ร ะ, พระบรมวงศ์จั ก, กรีจึงได้ทำพิธีสาการะบูชาแสดงเห็นถึงความสำนึกคุณกันด้วยวิธีการต่างๆ ต, ตามที่แต่ละคนเห็นว่า เป็นการแสดงออกซึ่งความสำนึกคุณความกตัญญูกตวเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะของพุทธศาสนนิกชนนั้นมีความทราบซึ้งถึงหลักการบูชาสองประการที่พระผุ้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้คือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของและการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามว่าเป็นการบูชาที่พระองค์ ส่งยกจ่องและส่งแสดงไว้แต่เมื่อไดดำเอาการบูชาทั้งสองประการนั้นมาเปรียบเทียบกันการบูชาหรือการปฏิบัติชื่อว่าเป็นการบูชาต่อพระพุทธเจ้าอย่างยิ่ ง, งดังนั้นในกรณีพิเศษเช่นนี้พุทธบริษัทผู้ปรารถนาจากะกระทำพิธีพุทธบูชาและราชเสศักการะก็ควรที่จะน้อมนำเอาคุณธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้และเป็นหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือประพุทธปฏิบัติมาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตของตนก็จะก่อให้เกิดผลถึงสามด้านด้วยกันด้านแรกเป็นการพัฒนาตนเองขึ้นมาให้สัมผัสคุณของพระธรรมที่ประณีตจริงขนประการที่2งเป็นการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการบูชาอย่างจริง และประการที่สามเป็นการถวายสักการะที่ก่อให้เกิดผลเป็นความดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อตอนเองหลักธรรมะที่ควรจะนำมาเป็นแนวในการปินิดพิจารณาและประพฤติปฏิบัตินั้นเราเรียกกันว่าทศพิธราชธรรมแต่จะได้นำมาเพียงบางประการเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆมีลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สงบใจก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจนมีการพูดกันว่าจิตใจของบุคคลภายในสังคมอยู่ในสภาพที่เรียก่าขวัญกระเจิงมีความสับสนไม่แน่ใจไม่มั่นใจจะไปในที่ใดก็เกิดความหวาดระแวง วิตกกังวลในที่นั้นและบ้านช่องที่ตนทิ้งมาเปน็นต้นสภาพจิตในลักษณะนี้สมหรับผู้ปฏิบัติกรรมาฐานแล้วถือว่าเป็นปริโภ o คือเครื่องกังวลที่ทำให้จิตใจของตนไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นเมื่อสภาพจิตตกอยู่ในฐานะเช่นนี้ก็ชอบที่จะนาหลักของทศพิราชธรรมข้อที่เรียกว่าปริจาัะ หรือการเสียสละหรือการบริจาคมาเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติการสละหรือการบริจาคนั้นโดยความหมายที่ครอบคลุมในเนื้อหาต่างๆจะมีอยู่สมแนวทางด้วยกันในชั้นแรกเกิดขึ้นจากจิตคิดอนุเคราะห์รือมองเห็นความเดือดร้อนของบุคคลอื่นตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลนั้นได้ ก็บริจาคช่วยเหลือเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้จัดเป็นบุญส่วนที่เรียกว่าทานะไมคือบุญที่สาเร็จด้วยการบริจาคทันจากการสละอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของเจตจำนงที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการจะทาความดีของบุคคลและจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาต่อต้านความสานึกเช่นนั้น กนนีถ้าหากว่าได้มีการวิเคราะห์สวจสอบจิตใจของตนเองแล้วจะพบว่าภายในจิตใ จ, จนั้นจะมีสิ่งสองสิ่งมาต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาแต่เราอาจจะพูดด้วยภาษาธรรมดาว่าอำนาจฝ่ายต่ําและอำนาจฝ่ายสูงเป็นภาษาธรรมะก็คือกุศลกับอกุศลที่เอาจิตใ จ, จเป็นสนามในการต่อสู้ของตนอำนาจทั้งสองฝ่ายนี้ฝ่ายใดมีกําลังมาก ควานั้นก็จะครอบงําจิตยึดครองจิตควบคุมความคิดของบุคคลให้คิดไปในทางของตนเมื่อยึดครองจิตได้ก็จะควบคุมกายควบคุมวาจาของบุคคลให้พูดให้กระทําไปตามอํานาจของตนเช่นเดียวกันดังนันการกระทำของบุคคลจึงมีทั้งผิดทั้งถูกปนคระสรับสนกันไปแต่ยามใดที่ปริมาณแห่งกุศลธรรมเกิดขึ้นสูงได้การกระทําชั่วทําผิดก็น้อยลง จนถึงไม่กระทาชั่วกระทาผิดเลยจึงหมายความว่าอนายามนั้นขณะนั้นอำนาจฝ่ายต่าได้ถูกละให้ถูกทำลายไปจากจิตใจของบุคคลเป็นนั้นมากจนถึงหมดสิ้นไปแต่ตรบใดที่ยังมีการต่อสู้กันอยู่ภายในจิตเช่นนี้เมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นต้องการจะกระทาความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาอนาจฝ่ายต่า ม, มาดึงหรือมาขัดขวางไม่ให้กระทา ผู้คนจะต้องระลึกรู้ตัณฑ์ว่านี่เป็นมานที่บางเกิดขึ้นภายในจิตของเราจะต้องเอาชนะอารมณ์หล่อนนั้นให้ได้และในกรณีนี้เมื่อมองย้อนไปศึกษาถึงสภาพจิตแม้ที่ผ่านมาในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าแท้จริงแล้วมีการต่อสู้กันอยู่เป็นนันมากระหว่างจะมาหรือไม่มาบางครั้งอาจจะนึกถึงภารกิจการงานต่างๆหรือต้องการจะพักผ่อนเป็นต้นเนื่องจากเป็นวันหยุด ความคิดในแนวนี้จะมีลักษณะโน้มน้อมให้ไหวตามให้คล้อยตามแต่เมื่อบุคคลสามารถสลัดอารมณ์เหล่านั้นและมาปรากฏในสถานที่นี้ได้ก็ชีอว่าเป็นผู้พิชิตมารเป็นผู้ชนะมารได้ในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งแต่การชนะในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการชนะตลอดไปสติตต้องทำหน้าที่ระลึกรู้สภาพจิตที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะ และเพียนพยายามสละความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกานักฝ่ายตา่าอันมาขัดขวางคุณธรรมความดีภายในใจของตนอยู่สม่าเสมอเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมภายในจิตให้มีความกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นมีอหนาจต้านทานต่ออกุศลทุจริตต่างๆได้สูงขึ้นจนภายในจิตใจมากไปด้วยธรรมะซึ่งก่อให้เกิดกายกรรมวจีกรรมในทางสุจริตสูงขึ้น และการสละประการต่อไปนั้นคือเป็นการสละในความหมายของนิโรธแต่แกสภาพจิตที่ไม่มีสิ่งเสียดแทงใจก้อนี้มองในเชิงที่เป็นรูปธรรมเจนได้ว่าในส่วนใดของร่างกายหรือจิตใจก็ตามถ้ามีวัตถุหรืออารมณ์เข้ามาเสียดแทงจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกทรมานตามขนาดตามปริมาณของสิ่งที่เสียดแทงเหล่านั้น อิเลที่บังเกิดขึ้นเสียดแทงใจของบุคคลจะก่อให้เกิดความ ร, าร้าเรอนอาการแผดเผาทุกทรมานไปด้วยประการต่างๆพระพุทธศาสนาก็สอนให้บุคคลพยายามสลละละปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นในชั้นหนึ่งก็อาจจะทําด้วยการบันเทาในชั้นหนึ่งอาจจะทําด้วยการละด้วยการสํารวจระหวัง จยการมีสติระลึกรู้ต่อสิ่งที่บังเกิดขึ้นภายในจิตแล้วสละละจิิงไปจนถึงก็สละได้อย่างเด็ดขาดในชั้น น, นั้นนั้นกา ร, ป, รปฏิบัติในชั้นนี้จะพบว่าบุคคลสามารถกระทำได้ในชีวิตประจำวันของตนทั้งส่วนที่เป็นรู ป, ปรวัตถุทั้งส่วนที่สละอารมณ์อันเป็นค่าศึกต่อกุศลได้ท ในทั้งส่วนของการสละกิเลสและเมื่อทําได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเกื้อกูลกันมีการประสานสัมพันธ์กันถ้าบุคคลสละกิเลสได้เวลาอะเวลาจะเกิดอารมณ์ที่เป็นค่าสิทต่อจิตใจก็จะน้อยลงและเมื่อเกิดขึ้นก็จะสละได้ง่ายถึงคราวที่จะเกื้อกูลแก่บุคคลอื่น เนื่องจากความเบาบางของกิเลสจิตเปลี่ยนสภาพเป็นกรุณาต่อบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้นการเสียสละก็จะง่ายขึ้นแม้จะเริ่มมาจากต้นคือบุคคลเสียสละวัตถุสิ่งของเป็นการเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นได้ทําให้จิตใจมีธรรมะเพิ่มขึ้นเวลาจะสละอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อความจริงใจต่อคุณธรรมความดีก็จะง่ายขึ้นนั่นก็หมายถึงการสละกิเลสการปฏิบัติธรรมะจริงๆ อ, อาศัยกัน ในลักษณะนี้มาเริ่มจากจุดที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้กุศลส่วนอื่นก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นคุณธรรมที่เป็นราชธรรมประการต่อไปที่น่าจะน้อมนามาประพฤติปฏิบัตินั้นก็คือข้อที่เรียกว่าอาชวะได้แก่ความเป็นผู้ซื่นทรงคามาชื่นทรงนั้นบางครั้งท่านก็เรียกว่าอุชุ ก็คือบทสังคคุณที่เราสวดกันว่าอุุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆป ร, ระสงคาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วคาว่าการปฏิบัติตรงนั้นหมายถึงการปฏิบัติในลักษณะเช่นไรโดยทั่วไปแล้วท่านหมายถึงการปฏิบัติชอบตามสมควรแก่ฐานะแก่นาทีแก่ภารกิจการงานของตน และเป็นการปฏิบัติถูกตรงตามกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขธรรมะกาละเทศะบุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องปรากฏออกมาเป็นความซื่อตรงต่อ ต, อตอนเองความซื่อตรงต่อบุคคลอื่นความซื่อตรงต่อภารกิจการงานและที่สำคัญก็คือต้องไม่หลอกตัวเองคนเราดันอาจจะถูกคนอื่นเขาหลอกและมีสิ่งที่เราเข้าใจว่าหลอกได้เช่นผีเป็นต้น การหลอกจากบุคคลอื่นและการหลอกของผีนั้นไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรเท่าไรแต่ว่าตนเองที่หลอกตนเองจนถึงกลายเป็นหลงตนเองกลับเป็นอุปสรรคแห่งการพัฒนาจิตใจอย่างสำคัญดังนั้นในขอน้อนี้จึงต้องอาศัยอจัจฉริะคือหลักการปฏิบัติที่เป็นความซื่อสัตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตรงจดใจตัวเองเช่นสมาทานศีลไปแล้ว หรือแม้แต่อธิษฐานศีลไปแล้วเวลาอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครเป็นประจักษ์พยานสักกิพยานในการประพฤติปฏิบัติของตนแต่ว่าบุคคลขาดหลักของอาชวะคือความสิทนสงแล้วก็อาจจะสะละคุณธรรมความดีเหล่านั้นประพฤติละเมิดในทางศีลก็ได้และจะต้องเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถอยกลับมาสู่อานาจของความดำ สิ่งใดที่บุคคลได้สละได้ละได้ปล่อยได้วางไปแล้วจะไม่หวดกลับมาสู่อำนาจของสิ่งเหล่านั้นอีกซึ้งลักษณะเหล่านี้จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางจิตพัฒนาการทางจิตจิตใจมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆที่เคยสยบจิตเคยสนุกสนานอยู่ก็จะสละละวางสิ่งเหล่านั้นได้จะในคราวเป็นเด็กเคยเล่นตุ๊กตา พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลิกเล่นตุ๊กตาได้และเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ทําตัวเป็นเท่าทารกหันมาเล่นตุ๊กตาอีกนี่คือสภาพจิตที่จเจริญก้าวหน้าไปโดยไม่ย้อนกลับเข้ามาอีกและจะต้องเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เป็นฆาศึกทั้งตนเองและทั้งบุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความคิดของตนเองจะต้องไม่เป็นฆาศึกต่อตนเอง ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นว่าบุคคลเรานั้นแม้จะมีค่าศึกศัตรูอยู่เป็นนั้นมากก็ตามแต่ว่าคนจะสร้างความพิบัติให้แก่ตนได้มากนั้นก็คือตนของตนนั่นเองโจรกับโจรที่เป็นคู่อาฆาตมาเจอกันก็ดีคนที่เป็นศัตรูมาเจอกันก็ดีแ ม, แม้คู่ศึกสงครามมาเจอกันก็ดีคนเรานั้นอาจจะทำอันตรายระหว่างกันอะกันได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว จิตของบุคคลที่ตั้งไว้ผิดคือไม่ตั้งไว้ให้ตรงต่อหลักคุณธรรมความดีในทางศาสนาสามารถทำอันตรายแก่บุคคลได้อย่างแสบเผิดและรุนแรงมากยิ่งกว่าดังนั้นคุณธรรมข้อนี้จึงชื่อว่าเป็นราชธรรมเป็นธรรมะที่ทําให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องเขบหลาสมาคมกับตนเกิดความชื่นชมยินดีอีกประการหนึ่งและที่สําคัญก็คือว่า บุคคลผู้นั้นจะเกิดความภาคภูมิในตนเองว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาก็ได้ศึกษาสำเนียงประพุติปฏิบัติในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นประสบนิกรภายในชาติบ้านเมืองก็จะก็ได้ดำเนินตามรอยบัตรยุคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ทำตนเป็นคนดี ตามหลักของบ้านเมืองและตามหลักของศาสนานั่นคือความสุขใจความภาคภูมิใจที่บุคคลจะพึงได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมะและธรรมะอีกประการหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ก็คือข้อที่เก่าได้แก่ข้อที่เรียกว่าขันติข้อนี้พึงสังเกตว่าหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้น เป็เรื่องต้องการทวนกระแสะกิเลสและทวนกระแสะอารมณ์ทุกรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้เพราะคำว่าโลกิยะนั้นคือกระแสะของโลกที่บุคคลจะต้องหมุนเวียนอยู่กับโลกแต่หลักในพระพุทธศาสนาจะต้องเพียายามปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกระแสะของการหมุนเวียนเหล่านั้นจนถึงการหลุดพ้นจากการหมุนเวียนอย่างแท้จริง ลักษณะของอารมณ์ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันนั้นมีลักษณะกระแทกกระทันต่อจิตใจเป็นอันมากไม่ว่าความวิปริตแปรปลวนของธรรมชาติหรือลักษณะการงานที่ตนจะต้องจัดจะต้องทำโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆและการสบประมาดดูถูกดูหมิ่นจากบุคคลอื่น ซึ่งลักษณะของความคิดเหล่านี้หรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเช่นนี้มีลักษณะกระแทกกระทันจิตใจของบุคคลอย่างรุนแรงต่อให้เกิดทั้งความรักและความชังสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเกินไปจะนภาภัยมาสู่จิตใจของบุคคลแต่ถ้าหากว่าอยู่ในจุดที่บุคคลทนได้ ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นจึงเหล่านั้นก็จะเป็นพิษเป็นภัยน้อยลงแต่ถ้ามีความมั่นคงสูงขึ้น<ม>ก็ชื่อว่าจะอยู่เหนือกระแสของอารมณ์เหล่านั้นได้หลักการในการชาติขันตินั้นจึงมีความจําเป็นทั้งในชั้นของการศึกษาและในชั้นของการประพฤติปฏิบัติจึงจะต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างยิ่ง เป็นลักษณะเอาความทุกข์ความเดือดร้อนมาลงทุนเพื่อจะได้ความสุขในตอนปลายมือการประกอบกรณีเกิจในแนวนี้ที่จริงก็เป็นแนวธรรมชาติธรรมดาอีกเช่นกันกร น, นี้จะพบว่าเป็นความยุติธรรมที่ธรรมชาติแต่มอบหมายให้แก่คนทั้งหลายคือถ้าหากว่าใครเริ่มต้นชีวิตด้วยความทุกข์ทรมาน ด้วยความเหนื่อยยากลำบากฝ่า ว, วาันอุปสรรคอันตรายต่างๆโดยมีพื้นฐานอยู่ที่ความอดทนก็จะมีความสุขความสบายในตอนปลายทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตจะมีลักษณะอย่างนี้แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็ต้องออกความทุกข์ทรมานมาเป็นทุนในการแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่ของพระองค์นั้นเป็นการ ภาวันอุปสรรคอันตรายอย่างแสบเผ็ดสาหัสจริงๆเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นอมตะแต่บุคคลที่ปฏิบัติในระดับที่ลดลันลงมาก็จะได้รับผลในระดับที่ลดลันลงมาเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามขาดความอดทนอ่อนไหวไปตามเหตุปัจจัยต่างๆทั้งปรากฏการธรรมชาติทั้งการประกอบภารกิจการงานทั้งโรคภัยไข้เจ็บความเหนื่อยยากลาบากและ ลักษณะอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อใจไม่ได้ปล่อยใจตัวเองให้ลอยไปตามกระแสะโลกซึงอาจจะรู้สึกว่าสบายแต่เป็นลักษณะของน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเจ็นปราตายอย่างที่โบราณพูดเอาไ้แต่นั้นในตอนสุดท้ายจะมีความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นเพราะเราความสุขความสบายนั้นมาใช้จะหมดแล้วหลักการอดทนจึงต้องใช้แม้ในระดับของการทางาน ของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารทั้งหลายในโอวาทปาติโมกจึงส่งสอนเรื่องขันติความอดทนเป็นเบื้องต้นเอาไว้เพราะแม้พระพุทธเจ้าและพระอาหารทั้งหลายก็ยังถูกคนพานบางพวกเบียดเบียนประทุษร้ายกล่าวหาใส่ร้ายด่าว่ า, า, า, า, ววาเป็นต้นซึ่งพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้อดทนในลักษณะของช้างศึกที่เข้าสู่สงครามจะต้องทนต่อลูกศรจึงยิงมาจากทิศ ท, ทั้งสีได้ความอดทนจึงกลายเป็นตะบะธรรม ที่จะเผาผลาญความชั่วอ น, นาประการภายในใจและภายในชีวิตของตนความอดทนจึงกลายเป็นเครื่องประดับเป็นกำลังของผู้ภาคเพียรพยายามและเป็นเครื่องสกัดกัน้นอาการปุลน ผ, ผ, ผันผีแรมงทางอารมณ์ของบุคคลเอาไว้ทั้งยังทรงแสดงว่าเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐในชีวิตของบุคคลซึ่งความสวยงามที่กำหนดหมายกันในโลกนั้น แก่ความสวยงามในด้านเสื้ผ้าอภรรตเป็นความสวยงามที่อยู่ระยะสั้นและเกิดจากการกําหนดหมายกันความสวยงามในด้านรูปร่างลักษณะถึงแม้ระยะจะยาวไปหน่อยในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงไปความสวยงามในด้านกุณียามัญญาความเป็นสมบัติผู้ดีเป็นความสวยงามที่มีอายุนานและเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยพื้นใจที่ประกอบด้วย คุณธรรมที่ทําให้งามคือหลักของขันติธรรมคุณธรรมทั้ง3าประการที่กล่าววันนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งทศพิธ ร, ราชธรรม10ประการแต่เมื่อบุคคลน้อมนามาประพฤติปฏิบัติได้แล้วย่อมเป็นอุปการะธรรมสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติทุกขั้นตอนคือทั้งขั้นของการดํารงชีวิต ท, ทั่วทั่วไปและในการประกอบกิจการงานของตน โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในความเพียรพยายามที่จะก่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจตามหลักของสมรรถกรรมฐานและก่อให้เกิดเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนสามารถถ่ายถอนความยึดติดในสิ่งต่างๆลงไปได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาความยึดจิตในสิ่งต่างๆลงไปล้วนแล้วแต่จําเป็นจะต้องอาศัยคุณธรรมเหล่านี้เป็นฐานในการประพฤติปฏิบัติ คนนี้ระพึงเข้าใจว่าธรรมะในชั้นต่างๆนั้นที่เราแบ่งเป็นชั้นเป็นขั้นเป็นตอนนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของความเข้มข้นแห่งธรรมะท่นั้นเองแต่จริงแล้วธรรมะล้วนเกื้อกูลและอิงอาศัยกันรักษาศีลได้ระดับหนึ่งก็กลายเป็นอาโวยความสุขให้ในระดับหนึ่งแต่พอถึงพระอรหันต ศีลก็ยังต้องมีอยู่แต่ศีลพระหันนั้นเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ทุกจุดเท่านั้นเองและในความเป็นศีลก็มีสมาธิก็มีปัญญาอยู่ไม่ว่าศีลในชั้นใดก็ตามจะมีสมาธิมีปัญญาอยู่ทั้งนั้นแต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับฐานะของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นการเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติธรรมในจุดใดก็ตามก็จะดึงคุณธรรมส่วนอื่นให้มาเพิ่มขึ้นและเมื่อธรรมะเหล่านั้นมีความเข้มข้นสูงขึ้น มีปริมาณมากขึ้นก็จะทำหน้าที่สลายกิเลสที่ตรงกันข้ามและเกี่ยวเนื่องกันให้บรรทอประปางได้เจือจางลงไปจากจิตใจของบุคคลผลเหล่านั้นเป็นผลที่บุคคลจะพึงเห็นได้คือพึงรับจากสังคมคือได้การยอมรับนับถือสถานะจากสังคมเป็นผลที่บุคคลจะสัมผัสได้ในด้านจิตใจของตนมีความสุขใจมีความสงบใจมีความเยือกเย็นใจ มีความโปร่งเบาสบายบังเกิดขึ้นและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการบรรดาลแห่งธรรมะเรา่านั้นซึ่งอำนวยความสุขให้แก่ผู้ประพปฏิบัติทั้งในปัจจุบันนี้และทั้งในการภายภาคนาตลอดถึงในโลกนาการบูชาในลักษณะนี้จึงชื่อว่าเป็นการบูชาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการบูชาอย่างจริง และควรจะเพิ่มพูนการบูชาในลักษณะนี้ให้สูงขึ้นเพราะมีผลเกื้อกูลตลอดการอันยาวน้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป